ข้อสครั้งนั้นพวกมนุษย์ในชมพูทวีปทั้งสิน้นพากันคิดมงคลเป็นพวกพวกว่าอะไรหนอแลเป็นมงคลแม้พวกเทวดาผู้รักษามนุษย์เหล่านั้นฟังถ้อยคำนั้นจากมนุษย์แล้วก็พากันคิดมงคลอย่างนั้นเหมือนกันโดยอุบายนั้นนั่นแลพวกภุ ม, มะเทวดา มิตรของพวกเทวดาผู้รักษามนุษย์ทั้งหลายพวกอากาสัถกเทวดามิตรของภู ม, มิเทวดาเหล่านั้นพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชะมิตรของอากาสัถกเทวดาเหล่านั้นและอื่นๆพวกอคณิทเทวดามิตรของพวก สุทัศสีเทวดาอิติรวมความว่าพวกเทวดาและพรหมฟังถ้อยคำนั้นจากมิตรของตนนั้นของตนนั้นแล้วก็พากาันคิดมงคลเป็นพวกเป็นพวกการคิดมงคลได้เกิดขึ้นแล้วในที่ทุกสถานจนถึงในหมื่นจักรวาลด้วยประการชนีก็การคิดมงคลซึ่งเกิดขึ้นแล้วนั้น ยังไม่ถึงการตัดสินเด็ดขาดว่านี้เป็นมงคลได้ตั้งอยู่ตลอด12ปีครั้งนั้นพวกเทวดาและพวกมนุษย์ทั้งหมดเว้นพวกอริยส า, าวกเสียแต่การเป็นสามพวกโดยอำนาจทิฏฐมังคละสุตตะมังคละและมุตตะมังคละแม้บุคคลผู้หนึ่งซึ่งถึงความตกลงใจตามความเป็นจริงว่า นี้เท่านั้นเป็นมงคลไม่ได้มีแล้วต่อมาพวกเทวดาชั้นสุทธาวาดรู้จิตของพวกมนุษย์จึงเที่ยวบอกไปในถิ่นมนุษย์ว่าโดยล่วงไป12ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจกตรัสมงคลครั้งนั้นโดยล่วงไป12ปีพวกเทวดาชั้นดาวดึงมาประชุมพร้อมกันแล้ว เข้าไปเฝ้าเท้าส ก, กะัะผู้เป็นจอมเทพทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกปัญหาปรารบมงคลตั้งขึ้นแล้วพวกหนึ่งกล่าวว่ารูปที่เห็นแล้วเป็นมงคลพวกหนึ่งกล่าวว่าเสียงที่ฟังแล้วเป็นมงคลพวกหนึ่งกล่าวว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วเป็นมงคล ในปัญหานั้นทั้งพวกข้าพเจ้าทั้งพวกอื่นยังตกลงกันไม่ได้ขอประทานพระวโรกาสขอพระองค์ได้โปรโดพยากรแก่พวกข้าพเจ้าตามความเป็นจริงเถิดท้าวส ก, กัตตรัสถามว่าเรื่องมงคล น, นี้เที่ยแรกตั้งขึ้นที่ไหนพวกเทวดากราบทูลว่าในโลกมนุษย์ เทา้าสกกะตรัสถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณที่ไหนพวกเทวดากราบทูลว่าในมนุษยโลกเท้าสักกะตรัสว่าถ้าอย่างนั้นมาเถิดพวกท่านผู้เนรทุกข์พวกเราจะทูลถามมงคลปัญหานั้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แล้วทรงบัญชาเทพบุตรองค์หนึ่งว่า เธอจงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทรงพาหมู่เทวดามาสู่พระเฉตวรรครั้งนั้นเทพบุตรนั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนนส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามมงคลปัญหาพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงวิสัชนาปัญหานั้นของเทพบุตรนั้นจึงได้ตรัสพระสูตรนี้ ดังนี้แลกถาว่าด้วยเหตุเกิดขึ้นในมงคลสูตรนี้เท่านี้ก่อน